แม่น้ำแล้วก็ไม่ไหลด้วยเครื่องหมายอันนี้บอกแล้วว่าต่อไปท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าแน่ดอกไม้บนบกดอกไม้ในน้ำทั้งหมดก็บานในขณะนั้นะ่ะดอกไม้เหล่านั้นก็บานหมดในวันนี้ท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปแน่ไม้เถ้าหรือต้นไม้ก็ติดผลในขณะนั้นต้นไม้เหล่านั้นก็ออกผลหมดในวันนี้ท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าแน่ดูสิต้นไม้มันออกผลหมดเลยเนี่ย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 แม้ดนตรีทั้งสองก็ส่งเสียงแล้วในวันนี้ท่านจกเป็นพระพุทธเจ้าแน่เออเสียงดนตรีดังมาก็พยากก์ได้ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้ามหาสมุทรก็ขนองแสดงว่าคลื่นแรงหมื่นโลกาธาตุก็หวั่นไหวแม้ทั้งสองนั้นก็ส่งเสียงร้องแล้วในวันนี้ต่อไปท่านจกเป็นพระพุทธเจ้าแน่โอ้เทวดาพรมมาพยากรให้อย่างนี้ก็อิ่มใจเลยนะ ไฟหลายหมื่นในนรกทั้งหลายไฟนรกก็ดับในขณนะนั้นไฟนรกแม้เหล่านั้นก็ดับแล้วในวันนี้ท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่เทวลาเขามองเห็นดูซิไฟนรกยังดับเลยนะดับแป๊บเดียวนะถัดับตลอดตอนนี้ก็สบายเลยนะไม่ใช่มันมันก็ตอนนั้นก็ดับแล้วลนะ่ะแต่คนบาปไปจุดให้มันลุกขึ้นมาใหม่อีกทีนึ่งนะก็เลยร้อนระ อ, อุขึ้นมาอกีกดวงอาทิตย์ถึงจะจ้าแต่ก็ไร้มนทิน ดวงอาทิตย์สองจ้าไร้มนทินเนี่ยนะดวงดาวก็เห็นได้ชัดปกติกลางวันมองมีใครมองเห็นดาวบ้างขนาดนั้นอ่ะมีดวงอาทิตย์ก็ยังส่องแสงจ้าอยู่ก็ดวงดาวก็ยังเห็นได้เพราะฉะนั้นดวงดาวเหล่านั้นก็เห็นกันได้แล้วในวันนี้ท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าแน่เมื่อฝนไม่ตกน้ําพุก็ขึ้นจากแผ่นดินในขณะนั้นน้ําแม้นั้นที่พุกขึ้นมาจากแผ่นดินเนี่ยนะน้ำพุพุ่งขึ้นมาเนี่ยท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าแน่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 พวกเรารู้กันด้วยเหตุนั้นว่าท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าแน่ภัยนี้แปลว่าความน่ากลัวไม่มีอะไรมานน่ากลัวเลยนั้นในขณะนั้นกิเลสดุดทุลีไม่ฟุ้งขึ้นในเบื้องบนความไม่ฟุ้งแห่งกิเลสที่เหมือนกับทุลีก็เห็นกันแล้วในวันนี้พวกเรารู้กันด้วยเหตุนั้นว่าท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าแน่กลิ่นที่ไม่น่าปรารถนาก็จางหายไปกลิ่นทิพก็โชยมา กลิ่นหอมแม้นั้นก็โชยมาแล้วในวันนี้ท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าแน่ก็อาศัยกลิ่นที่มันหอมเนี่ยนะเทวดาทั้งหมดเวนารูปประพบก็ปรากฏแม้เทวดาเหล่านั้นก็เห็นกันหมดในวันนี้ท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าแน่ขึ้นชื่อว่านรกมีประมาณเท่าใดก็เห็นกันหมดในขณะนั้นเห็นนรกทุกขุมเลยนะ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 เหมือนก้อนดินคว้างไปในอากาศ2เหมือนสัตว์ตายสาราตรีสิ้นไปดวงอาทิตย์ก็ขึ้นมาสีราชสีออกจากถ้ำก็บะลือบลือสีหนาตแต่ก็สัตว์มีขันหนักก็คลอดแน่นอนฉันใดเราก็จะได้แต่สรู้เป็นพระพุทธเจ้าตามพุทธพยากรอนฉั น, นั้นเหมือนกันแน่นอนเอาเถิดเราจะเลือกเฟ้นพุทธกุรกะธรรมเลือกเฟ้นทางจากทางโน้นทางนี้จากทั้งเบื้องบนเบนื้องล่างทั้งสิทิศ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 หม้อที่เต็มด้วยน้ำอย่างใดอย่างหนึ่งที่วางคว่ำปากลงหม้อน้ำนั้นก็สัมรอดหรือน้ําก็ไหลออกไม่เหลือเลยไม่สรักษาน้ําเอาไว้ในหมอน้อ น, นั้นได้แม้ฉันใดท่านเห็นยาจกทั้งหลายทั้งชั้นต่ําชั้นกลางและชั้นสูงแล้วจงให้ทานไม่เหลือเลยเหมือนหม้อที่คว่ำปากฉันนั้นเหมือนกันเรียกว่าสมาทานที่จะให้ทานเหมือนกับ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 ท่านจงบำเพ็ญศีลบารมีถ้าว่าท่านต้องการบรรลุโพธิญาณถ้าต้องการอารหัตธรรมขยันเป็นที่ตั้งแห่งสัพพัญญุตญาณเป็นที่ตั้งแห่งพุทธคุณทุกชนิดท่านจงสมาทานศีลอวะให้ดีเปรียบเหมือนว่าเนื้อจามรีรักษาขนหางที่ติดอยู่ในที่บางแห่งเราเนื้อจามรีเป็นสัตว์ชนิดที่รักขนหางมากถ้าหากว่า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 รักษาศีลโดยรอบและต้องทุกเมื่อด้วยเหมือนจามรีรักษาขนหางฉะนั้นเหมือนกันมันถ้าปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าต้องรักษาศีลเหมือนอะไรถ้าเป็นที่อื่นก็เหมือนนกต่อยตีวิตรักษาไข่บุรุษตาเดียวรักษาดวงตาแม่ผู้มีลูกยากรักษาลูกคนเดียวฉะนั้นเนี่ยนะ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 ท่านจงเห็นพบทั้งปวงเหมือนกับเรือนจำ น, นะเห็นวัตตะในภูมิสามเหมือนกับเรือนจำมุ่งหน้าต่อเ น, นี่ยขมมะเนี่ยนะเพื่อหลุดพ้นจากพบฉันนั้นเหมือนกันถ้าท่านปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเอางั้นจะต้องเห็นวัตตะในภูมิสามเหมือนอยู่ในคุกตลอดเลยนะอึดอัดเบื่อนายอยากกะออกเต็มที่ละ่ะแต่ก็ต้องอยู่เพราะอะไรเพราะการุณาเนี่ยนะเพื่อสร้างบารมีเพื่อจะได้เป็นพระพุทธเจ้า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 เอาไว้ให้มั่นในภพทั้งปวงท่านก็จกถึงฝั่งแห่งวิริยะบารมีแล้วนะถ้าถึงฝั่งแห่งวิริยะบารมีก็จกบรรลุพระสัมโพธิญาณฉะนั้นเหมือนกันนี่นะว่าต้องกล้าเจริญกุศลเหมือนกับราชสีงองอาจเนี่ยนะอ่ามันเวลาเจริญกุศลเนี่ยไม่ใช่โอยทำดีหรือไม่ดีเนาะทำหรือไม่ทำทำหรือไม่ทาบอกว่าต้องกล้าตลอดเวลาไม่มีคำว่าถอยในการเจริญกุศล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 แม้ตัวท่านก็ต้องเป็นผู้อดทนต่อการยกย่องและการดูหมินของชนทั้งปวงฉะนั้นเหมือนกันถามว่าอดทนทำไมอดทนคือคนที่ไม่ทนเนี่ยนะพอเจอคำยกย่องมากๆ ก, ก, ก็เลิกเจริญกุศลหรือถูกเขาดูหมินดูแคลนเหยียดหยามมากๆ ก, ก, ก็เลิกเจริญกุศลเพราะฉะนั้นคนจะยกย่องคนจะดูหมินท่านต้องมั่นคงแล้วในการเจริญกุศลฉะนั้นท่านก็ถึงสั่งแห่งขันติบารมีแล้ว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 ครั้งนั้นเมื่อเราเลือกเฟ้นก็เห็นสัจจะบา ร, รมีเป็นอันดับที่7เนี่ยนะสัจจะบา ร, รมีสัจจะตัวนี้เน้นวาจาสัจนะเน้นคําพูดคําสัตจคาจริงเช่นว่าพูดว่าจะให้ทานพูดว่าจะรักษาศีลพูดว่าจะเจริญเนกขมมะพูดว่าจะอบรมปัญญาวิริยะขันติสัจจะเป็นต้นเน่ยนะพูดคําใดก็ต้องเป็นคานั้นก็เรียกว่าบําเพ็ญรักษาสัจจะวาจาถ้าไม่มีสัจจะวาจาตั้งกระแรกสร้างบําเพ็ญบารมีและจะเป็นผู้ที่มีพุทธวาจาแน่นอนได้หรือ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 เปรียบอุปมาเหมือนว่าธรรมดาดาวประกายพลึกเหมือนกันดาวประกายพลึกก็คือดาวที่มันขึ้นช่วงเช้าๆนะดาวประกายพลึกพลึกเนี่ยกแปลว่าเช้าเหมือนกันดาวที่มันส่องสว่างในส่องสว่างในช่วงเช้าดาวประกายพลึกก็คือเปรกเนี่ยปรกเขาอย่างภาษาเขมรแปลว่าเช้าแล้วเหมือนกันอันนั้นดาวประกายพลึกอันนี้เป็นดวงตาคือเป็นเหมือนกับตาช่างของโลกพร้อมทั้งเทวโลกดาวชนิดนี้ไม่ว่าจะเป็นฤดูฝนฤดูนาวฤดูร้อน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 ท่านจะได้ตรัสรู้อริยสัจประกาศอริยสัจจะต่อไปได้เนี่ยนะ